วันนี้เป็นวันอังคารที่16เมษายนพุทธศักราช2567เป็นวันพระวันธรร ม, มสวนะัสวิะวันฟังธรรมวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ให้สาธุชนพุทธบริษัท ผู้ฝ่ายทาได้มีเวลาว่างจากภารกิจการงานด้วยการหยุดการทำงานทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหนึ่งวันเพื่อที่จะได้มีเวลามาศึกษามาเรียนรู้ข้อธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อที่จะได้นำเอาไปปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ทางใจต่างๆให้หมดสิ้นไปถ้าเราไม่มีวันหยุดทำงานเราก็จะไม่มีเวลาว่างที่จะมาศึกษามาปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราก็จะไม่มีวันหมดสิ้นไปได้แต่ถ้าเรามีวันหยุดทํางานแล้วเราใช้วันหยุดทํางานนี้มาให้กับการศึกษาพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาแล้วเราก็นําเอาไปปฏิบัติเมื่อเราได้ปฏิบัติแล้ว เราก็จะสามารถกำจัดความทุกข์ทางใจให้หมดไปได้ตามลำดับจนหมดสิ้นไปในที่สุดได้วันพระจึงเป็นวันที่สำคัญต่อการต่อผู้ที่ต้องการที่จะกำจัดความทุกข์ทางใจให้หมดสิ้นไป แต่สมัยนี้วันพระนี้ไม่ได้ตรงกับวันหยุดทํางานเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนที่ประเทศไทยจะไปมีการทํามาคาขายกับต่างประเทศวันหยุดทํางานของประเทศไทยในอดีตนั้นจะตรงกับวันโกนกับวันพระ คือวันที่ตามปฏิทินของจันทรคติคือวันพระวันโตนี้จะเป็นวันที่กำหนดขึ้นตามวันขึ้นแรมของพระจันทร์เช่นวันนี้ก็จะเป็นวันขึ้นแปดค่ำนั่ก็จะเป็นวันพระวันพระจะมีขึ้นแปดค่ำ ขึ้นสิบห้าค่ำแรมแปดคำ่ำแรมสิบห้าค่ำหรือบางเดือนก็จะเป็นแรมสิบสี่ค่ำสมัยก่อนวันพระก็จะเป็นวันหยุดทำงานแล้วคนไทยส่วนใหญ่ก็เป็นชาวพุทธนับถือพุทธศาสนศาสนาก็จะไปวัดกันไปวัดเพื่อไปฟังเทศฟังธรรมและไปปฏิบัติธรรม คนไทยสมัยก่อนนี้จะมีความทุกข์ความเครียดน้อยกว่าคนไทยสมัยนี้เพราะว่าคนไทยสมัยนี้ไม่ค่อยมีเวลาไปวัดกันไม่มีเวลาไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมกันเพราะวันพระไม่ได้ตรงกับวันหยุดทํางานเสมอไปเพราะวันพระตาม ตามปฏิทินของจันทรคติจะเลื่อนไปเรื่อยๆจะไม่ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเช่นวันพระวันนี้ก็เป็นวันอังคารต่อไปก็จะเลื่อนไปเป็นวันพุธแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆเป็นวันพระรหัสและในที่สุดก็จะมาตรงกับวันเสาร์อาทิตย์สักหนึ่งครั้ง ก็ประมาณสักเดือนกว่าๆ ว, วันพระก็จะมาตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์<ม>ถ้าคนไทยชาวพุทธถือปฏิทินถือวันพระตามตามจันท ร, รคติพอเป็นวันพระที่ไม่ได้ตรงกับวันหยุดทำงาน<ม>ก็จะไม่สามารถไปวัดไปฟังเทศฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมได้ เมื่อไว้ได้ฟังเทศฟังธรรมอย่างต่อเนื่องตามที่ผู้เจ้าได้ทรงกำหนดไว้หรืออย่างน้อยควรที่จะเข้าวัดกันสัปดาห์ละหนึ่งครั้งแต่วันพระมักจะไม่ตรงกับวันหยุดทำงานเสมอไปเช่นช่วงนี้พอดีวันนี้เป็นวันหยุดพิเศษเป็นวันหยุดเนื่องในเทศกาลส ง, า ง, งการสงการ ยาโยมก็เลยมีวันหยุดทำงานันเป็นกรณีพิเศษเึียงได้มีเวลาที่จะมาวัดมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันได้แต่พออาทิตย์หน้าพอวันพระเป็นวันพุธก็เข้าวัดไม่ได้เพราะต้องไปทำงานเนื่องจากว่าวันหยุดทำงานในสมัยปัจจุบันนี้ เปลี่ยนไปเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์การโอกาสที่จะได้เข้าวัดก็จะน้อยลงไปแต่ก็มีวิธีแก้คือเราไม่จำเป็นที่จะต้องถือวันพระตามที่เขากำหนดตามจันทรคติเช่น ว, วันขึ้นแปดขามันนี้หรือขึ้นสิบห้าขาในอาทิตย์หน้าเราสามารถ ตั้งวันพระให้สะดวกให้เหมาะกับเหตุการณ์ของเราได้เช่นวันไหนเท่ที่เป็นวันหยุดทํางานของเราเช่นถ้าเราทํางานแล้วเราหยุดเสาหรืออาทิตย์หรือหยุดทั้งสองวันเสาอาทิตย์เราก็มาถือวันเสาหรือวันอาทิตย์มาเป็นวันพระก็ได้ถ้าอย่างนี้แล้วเราก็จะได้มีวันวันหยุด วันวันเข้าวัดได้ทุกอาทิตย์เราต้องเข้าวัดทุกอาทิตย์เข้าไปศึกษาไปปฏิบัติเพื่อกำจัดความทุกข์ทางใจเพราะว่าการศึกษาการปฏิบัติก็เหมือนกับการเลี้ยงดูร่างกายร่างกายเราก็ต้องคอยเลี้ยงดูด้วยอาหารเพราะถ้าขาดอาหาร ร่างกายของเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราจึงมีการรับประทานอาหารกันอย่างสม่ำเสมอวันละสามมื้อเป็นอย่างน้อยร่างกายจึงไม่ค่อยทุกข์กับเรื่องของการขาดแคลนอาหารเท่าไหร่แต่ใจของพวกเหล่านี้มักจะมีความทุกข์อยู่เรื่อยๆเนื่องจากขาดแคลน อาหารที่จะมาหล่อเลี้ยงจิตใจไม่ให้ทุกข์อาหารที่มาหล่อเลี้ยงจิตใจก็คือธรรมะคำสั่งคำสอนและการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เองดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะมีเวลาในการกำจัดความทุกข์ทางใจ เราต้องกำหนดวันพระที่มันตรงกับวันหยุดทำงานของเราเช่นวันเสาร์ก็ได้หรือวันอาทิตย์ก็ได้แล้ววันนั้นเราก็ไปวัดกันไปวัดเพื่อไปฟังเทศฟังธรรมซึ่งในสมัยนี้ถ้าเราอยากจะฟังเทศฟังธรรมจริงๆเราไม่ต้องไปวัดก็ได้ เพระเดี๋ยวนี้ธรรมะนี่มีอยู่ทุกเวลาทุกแห่งทุกคนเพราะธรรมะนี่เดี๋ยวนี้อยู่ในมือถือของเราแล้วถ้าเรามีโทรศัพท์มือถือเราอยากจะฟังเทศน์ฟังธรร ม, มเราก็สามารถฟังได้เช่น<ม>ในขณะนี้<ม>ก็มีการถ่ายทอดสดไปทางโทรศัพท์มือถือ ท่านที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาวัดก็สามารถทาวัดให้ทำบ้านให้เป็นวัดขึ้นมาได้เพราะคำว่าวัดนี้ก็แปลว่าสถานที่ศึกษาสถานที่ปฏิบัติธรรมนั่นเอง mm hmm. ดังนั้นถ้าเราไม่สะดวกที่จะเดินทางมาวัดหรือหาวัดที่เป็นวัดที่มีการแสดงธรรมมีการปฏิบัติธรรมไม่ได้ เราก็ทำบ้านของเราให้เป็นวัดขึ้นมาก็ได้เราก็ต้องกำหนดสถานที่ที่เราสามารถที่จะนั่งฟังเทศฟังธรรมได้อย่างสงบคือไม่มีอะไรมารบกวนเรารบกวนการฟังเทศฟังธรรมของเราแล้วหลังจากที่เราฟังเทศฟังธรรมแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติธรรมต่อไป ปฏิบัติที่บ้านก็ได้ถ้าที่บ้านทำที่บ้านให้เป็นเหมือนวัดก็คือเป็นสถานที่สงบไม่มีบุคคลและสิ่งต่างๆเหตุการณ์ต่างๆมารบกวนใจคือไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสที่จะมาคอยกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมา อันนี้ก็คือเรื่องของวัดกับเรื่องของวันพระแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าเรารู้จักวัดที่เป็นวัดที่มีการแสดงธรรมมีการสอนธรรมะในวันหยุดเช่นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์แล้วก็เป็นวัดที่มีการสอนการปฏิบัติธรรมมีสถานที่ที่สงบสงัดเพื่อต่อการปฏิบัติธรรม เราก็ไปที่วัดนั้นกันก็ที่เราจะได้เรียนรู้ว่าความทุกข์ของนัของใจเรานี้มันเกิดจากอะไรกันเ<ไ>มื่อเราเรียนรู้แล้วเราก็จะได้รู้ว่าวิธีที่จะกำจัดความทุกข์นั้นต้องกำจัดอย่างไรถ้าเรารู้เหตุเราก็ไป หยุดเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ของใจพอเหตุที่ทำให้ความทุกข์ของใจหายไปความทุกข์ที่มีอยู่ในใจมันก็จะหายไปถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ เ, เราก็จะได้รู้ว่าความทุกข์ของใจของพวกเรานี้พระเจ้าทรงตัดจะรู้ว่าเกิจากเหตุสองสองอย่างด้วยกัน เหตุที่หนึ่งก็คือการกระทำบาปต่างๆเช่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติิตประเคนีการพูดปดโกหกหลอกลวงการดื่มสุรายาเมาเป็นเหตุที่จะนำไปสู่ความทุกข์ใจเพราะเวลาที่เราทำบาปนั้นเราจะมีความรู้สึกไม่สบายใจ เวลาเราไปฆ่าสัตว์ไปไปฆ่าสัตว์หรือไปฆ่าคนนี่เราจะรู้สึกไม่สบายใจเพราะเรารู้ว่ามันมีโทษตามมาโทษทางโลกก็คือทางกฎหมายก็จะต้องถูกไปจับไปติดคุกติดตารางหรือจับไปลงโทษโทษทางธรรมคือโทษของกฎแห่งกรรม ก็คือถ้าทำบาปแล้วนี่เวลาร่างกายตายไปใจผู้ที่กระทําบาปจะต้องไปรับผลบาปต่อไปถ้าไปเกิดใหม่ก็จะไปเกิดเป็นสัศาสเดลฉานถ้ายังไม่ได้เกิดก็จะเป็นดวงวิญญาณที่ถูกความทุกข์ชนิดต่างๆรุมเล้าจิตใจเช่นความทุกข์ที่เกิดจากความหิวโหวย ดวงวิญญาณ น, นั้นก็เรียกว่าเปรต ด, ดวงวิญญาณที่มีความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวต่างๆก็เกิดจากก็จะเรียกว่าสุรกายดวงวิญญาณที่ทุกข์ด้วยความอาฆาตพยาบาทเข็ดแค้น<ม>ก็เรียกว่านรก<ม>สาเหตุที่มีดวงวิญญาณไม่เหมือนกันก็เพราะว่า เหตที่ทำบาปนี้มันไม่เหมือนกันบางคนทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากมากอยากได้เร็วๆอยากได้ง่ายๆถ้าไปทำมาหากินที่สุดเจริญไม่ผิดศีลผิดธรรมมันจะหาได้น้อยหาได้ยากแต่ถ้าไปช่อกงไปหลอกลวงไปลักทรัพย์ไปคอร์รัปชัน มันก็จะได้เงินมากขึ้นถ้าทำบาปด้วยความโลภดวงวิญญาณก็จะเป็นเปรตเพราะจะความโลภจะทำให้ดวงวิญญาณนี้มีแต่ความหิวโหวยได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอทั้งเกตดกูเวลาเราโลภอยากได้อะไรนี่พอได้มาแล้วมันไม่พอนะถ้าเราได้ร้อยหนึ่งเราก็อยากจะได้พันหนึ่งนะ ถ้าได้พันหนึ่งเราก็อยากจะได้หมื่นหนึ่งได้หมื่นก็อยากจะได้แสนมันอยากไปเรื่อยๆความอยากนี้มันไม่มีขอบเขตอย่างที่พทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่ามหาสมุทรอันยิ่งใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ตามมหสมุทรเหล่านั้นมีฝั่งมีขอบมีเขตแต่ความอยากนี้มันไม่มีฝั่งไม่มีขอบไม่มีเขต ได้เท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มไม่พอมันกลับไปสร้างความหิวโหยให้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆพอเวลาที่ร่างกายตายไปใจที่ทำบาปด้วยความโลภมันก็ไม่มีสิ่งที่จะไปเอาได้เพราะร่างกายตายไปแล้วอยากได้เงินก็ไม่สามารถไปหาเงินมาได้อยากได้ลาบยศฉลเสริญก็ไม่สามารถไป หามาได้ในตอนที่ไม่มีร่างกายตอนนั้นใจก็มีแต่ความหิวโหวยหิวแต่ไม่สามารถดับความหิวได้จากการที่ไปได้สิ่งที่อยากได้นั่นแหละคือดวงวิ ญ, ญญาณที่เรียกว่าเปรตตายไปแล้วมันจะหิวโหวยและเป็นดวงวิ ญ, ญญาณชนิดนี้แหละที่จะมารอรับหรือขอส่วนบุญ อยากญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าช่วยส่งบุญไปให้บ้างเพราะว่าเวลาที่อยู่ในโลกทิพย์เวลาที่ไม่มีร่างกายนี้ดวงวิญญาณ น, นี้ต้องอาศัยบุญเป็นอาหารแทนเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องให้ความสุขความอิ่มความพอดังนั้นเวลาที่ดวงวิญญาณนี้หิวโหวยทนทรมานไม่ไหว ก็มักจะมาหาญาติพี่น้องก็มาด้วยการวิธีเข้าฝันนี่เข้าฝันแล้วก็บอกว่ามไม่ตกทุกข์ได้ยากลำบาก<ม>ถ้าเรามีญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วมาเข้าฝันเรานี่เราก็ถือว่าเขากำลังต้องการความช่วยเหลือ<ม>เราจึงมักมีธรรมเนียมว่า<ม>เวลาที่เราฝันถึงคนตาย เราก็จะไปทำบุญกันในตอนเช้าทำบุญใส่บาตเพื่อจะได้บุญจากการใส่บาตแล้วเราก็ส่งบุญที่เราได้นี้ไปให้กับญาติพี่น้องที่เขามาขอไปอ น, นี่คือดวงวิญญาณถ้าทำบาปด้วยความโลภเวลาตายไปก็จะหิวโหวยเป็นเปรตแล้วถ้าทำบาปด้วยความกลัวกลัวว่าจะมี ภายจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้สัตว์ชนิดนั้นชนิดนี้พอเจอเขาปั๊บก็ฆ่าเขาเลยป้องกันตัวเองกลัวว่าเขาจะมาทำร้ายเราเนี่ยการทำบาปด้วยการด้วยเพราะความกลัวมันจะทำให้ดวงวิญ ญ, ญาณนี้เป็นดวงวิญ ญ, ญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาไม่มีความสุขเลย เพราะมวแต่หวาดกลัวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้สัตว์ชนิดนั้นชนิดนี้เวลาตายไปมันก็จะมีความกลัวอย่างนี้พุ่มห่อจิตใจทำให้ดวงวิญญาณนี้ทุกไปด้วยกับทุกไปกับความกลัวต่างๆส่วนผู้ที่ทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาท ตาต่อตาฟันต่อฟันเวลาใครเขาทำร้ายเราทำให้เราเสียหายเราก็ต้องแก้แค้นต้องล้างแค้นเรียกว่าอาฆาตพยาบาทความอาฆาตพยาบาทนี้เป็นเหมือนไฟที่สุมหัวใจเราสังเกต ด, ดูเวลาเราโกรธ ใ, ใครเกลียดใครนี้จะกินไม่ได้นอนไม่หลับจนกว่าเราจะสามารถล้างแค้นได้ใจของเราถึงจะสงบลงได้ ถ้าเป็นใจที่ทำบาปด้วยความอาฆาตยายบาสนี้เวลาตายไปก็จะไปตกนรก น, นี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาปมันมีผลตั้งแต่ขณะที่ทำบาสนขณะที่ร่างกายยังไม่ตาย ใจก็ทุกไปกับการทำบาปนะเ<ม>พราะใจกลัวที่จะไปถูกลงโทษนั้นถูกจับไปลงโทษ<ม>ก็จะอยู่อย่างไม่มีความสุขอยู่อย่างหวาดกลัวอยู่อย่างระแวง<ม>เวลาเห็นเจ้าหน้าที่เดินมานี่ทั้งๆ ท, ที่เขาไม่ได้มาหาเรานึกจะมาจับเราแต่พอเห็นเจ้าหน้าที่เดินมาเราก็ใจวูบลงไปแนละ้วกลัวขึ้นมานะ กลัวว่าจะมาถูกจับไปลงโทษนั่นเอง น, นี่คือความทุกข์ทางใจเจอการเกิดจากการทำบาปด้วยวิธีการต่างๆบาความทุกข์ก็จะมีทุกข์มากทุกข์น้อยขึ้นอยู่กับการกระทำบาปว่าเป็นบาปหนักหรือเป็นบาปเบาบาปเ บ, บาก็ทุกข์น้อยหน่อยบาปหนักก็ทุกข์มากหน่อย แล้วก็ขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำบาปด้วยถ้าความเสียหายน้อยความทุกข์ก็จะน้อยถ้าความเสียหายมากความทุกข์ก็จะมากตอนที่มีชีวิตอยู่ใจก็จะไม่สบายไม่สบายใจแล้วเวลาที่ตายไปก็ต้องไปเป็นดวงวิญญาณที่ที่มีแต่ความทุกข์เนี่ย แล้วถ้าไปเกิดเป็นจะไ ป, ไปเกิดก็ไปเกิดเป็นสัตว์ในราชานก่อนต้องใช้บาปให้หมดกาลังก่อนจึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่และเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ด้อยอาภัพวาสนาเกิดมายากจนเกิดมาไม่สมประกอบร่างกายพิกลพ่การ อาการไม่กอบสามสิบสองมีโรคภัยเบียดเบียนตายมีอายุสั้นเป็นต้นมีรูปร่างหน้าตาที่ไม่สวยไม่งาม น, นี่คืออ น, นิสงส์หรือผลของการกระทำบาป ท, ที่ยังตกค้างอยู่ในใจที่เจยังจะส่งผลให้ต่อการมาเกิดเป็นมนุษย์ นอกจากนั้นก็ยังมีนิ ส, สัยที่ไม่ดีติดตัวมาได้มาด้วยถ้าดีเคยทําบาปด้วยความโลภพอมาเกิดใหม่ก็จะติดนิ ส, สัยนี้มาด้วยก็จะมาทําบาปด้วยความโลภถ้าเคยทําบาปด้วยความกลัวก็จะมาทําบาลด้วยความกลัวต่อไปถ้าทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็จะมาทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทต่อไปก็จะมา <c oughs> สร้างความทุกข์ในพบใหม่ชาติใหม่ชีวิตก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในทุกขกติมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาทำบาปใหม่เพราะมีนิ ส, สัยเดิมนิ ส, สัยชอบทำบาปเวลาโลภอยากได้อะไรก็ไปขโมยไปทำผิดกฎหมายไปรักของของเข า, เขาหรือไปช่อโกงมันมีนิ ส, สัยติดตัวมาของพวกนี้มันยังไม่ได้หมดไปนิ ส, สัยมันไม่หมด แต่หมดได้แต่ต้องต้องเปลี่ยนนิสัยต้องฝืนถ้าไม่ฝืนนิสัยเดิมมันก็มันก็จะเป็นเป็นเป็นตัวที่คอยผลักดันให้ไปทำสิ่งที่เคยทำอยู่เรื่อยๆแล้วเมื่อกลับมาเกิดแล้วมาทำบาปใหม่เดี๋ยวพอตายไปก็กลับไปรับผลบาปใหม่ในอบายการเวียนว่ายตายเกิดที่เกิดจากการทำบาปก็จะ เปียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ในทุกขติอยู่ไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าเราไม่อยากที่จะต้องรับกับสภาพรับกับผลที่เกิดจากการกระทำบาปเราก็ต้องมาฝืนความอยากที่จะทำบาปถ้าเรามีนิสัยอยากที่จะทำบาปถ้าเรายังมีนิสัยที่อยากจะโกหกบ้างอยากจะลักทรัพย์บ้าง อยากจะประพูตผิดประเพณีบ้าง อ, อยากจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบ้างเราต้องมาฝืนเมืม่อก่อนถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังธรรมนี้เราก็จะไม่รู้เราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามเพราะเราไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้ไปรับผลบาปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็อาจจะคิดว่า ถ้าเราทำบาปแล้วถ้าเราได้เงินมาเยอะเราก็อาจสามารถใช้เงินนี้ป้องกันไม่ให้เราถูกไปจับไปลงโทษก็ได้ถ้าทำผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับบางทีเราก็ให้เงินเจ้าหน้าที่ไปเจ้าหน้าที่ก็จะเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ไม่จับเราไปลงโทษเช่นขับรถ เมาเาม า, เาแล้วขับอย่างนี้ถ้าเจอเจ้าหน้าที่มีแบงก์มีอะไรยื่นออกไปให้เขาเดี๋ยวเขาก็อไ้ไปไปได้เอาหูไปนาเอาตาไปไล่บางคนก็คิดอย่างนี้ว่าถึงแม้จะทำบาปก็สามารถที่จะไม่ไปรับโทษของการทำบาปได้ถ้ามีเงินมากๆสามารถสามารถทำให้โทษเนื้อ ผู้ที่จะมาจับเราไปลงโทษนั้นไม่เกิดขึ้นได้<ม>คนเลยไม่ค่อยกลัวบาปกันในสมัยนี้ถ้ามองไปที่ร่างกายว่าเป็นผู้กระทำบาปแล้วก็เป็นผู้ที่จะไปรับผลบาป<ม>แต่ความเป็นจริงแล้วผู้ที่ทำบาปจริงๆนี้ไม่ใช่ร่างกาย<ม><ม>ร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือหรือผู้รับใช้ผู้ที่ทาบาปคือผู้สั่งการ ผู้สั่งการก็คือใจนี่เองใจที่เป็นผู้รู้ผู้คิดที่เป็นดวงวิญญาณ น, นี่แหละเป็นผู้สั่งให้ร่างกายไปทาบาปแล้วผู้ที่จะรับผลบาปที่แท้จริงก็คือใจเวลาทำบาปแล้วใจก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีใจจะไม่สบายแล้วเวลาตายไปใจก็ต้องไปอยู่ในอบายแล้วเวลากลับมาเกิดใหม่ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มี ที่มีความด้อยในวาสนาอาภัพวาสนาแล้วก็จะกลับมาทำบาปต่อไปอีกเช่นกันผู้ที่ไม่ได้ยินได้ฟังทำก็อาจจะไม่รู้ความจริงอันนี้คิดว่าทำอย่างมากผลของบาปโทษของบาปที่ที่จะเกิดก็เกิดที่ร่างกายแล้วพอร่างกายตายไปโทษที่เคยทำมาทั้งหมดก็หมดไปจบไป ถ้าในขณะที่มีชีวิตอยู่แล้วถ้าหาเงินจากการทำบาปมาได้มากก็สามารถใช้เงินนี้ซื้อคุกซื้อตารางได้ซื้อการที่จะถูกไปจับลงโทษได้คนก็เลยไม่ค่อยกลัวบาปกันไม่ค่อยกลัวการกทำผิดกฎหมายกันเพราะกฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์เงินศักดิ์สิทธิ์กว่าเงินเป็นพระเจ้ากฎหมายไม่ใช่เป็นพระเจ้า เงินนี่เหนือกว่ากฎหมายเัินสามารถซื้อกฎหมายได้ซื้อผู้ที่มาปฏิบัติรักษากฎหมายได้คนที่รํำรวยด้วยความโกงถึงมักจะหลุดไม่ถูกจับไปลงโทษหรือถ้าถูกจับไปลงถ้ารู้ว่าจะโดนจับก็หนีทันหนีก่อนได้มีเงินไปอยู่ต่างประเทศได้หลบโทษหบโทษหบ ภัยต่างๆได้คนพวกนี้จึงไม่ค่อยกลัวเรื่องการกระทําผิดกฎหมายและจะทำต่อไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นนิสัยเป็นสันดานเพราะเคยทํามาไม่ใช่แต่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวเคยทํามาหลายภพหลายชาติแล้วไปมากี่ภพกี่ชาติก็จะมาทําบาปอยู่เรื่อยๆอนี้คือเรื่องของความทุกข์ขอทางใจเหตุที่ทําให้ใจเราทุกข์ ข้อที่หนึ่งก็คือการกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์ทางใจเราก็ต้องหลีกเลี่ยงการกระทำบาปและหลีกเลี่ยงการเสพอบายามุกทำไมต้องหลีกเลี่ยงการเสพอบายามุกเพราะว่าอบายามุกนี้เป็นเหตุที่จะทำให้เราไปทำบาปได้ง่ายนั่นเองเช่นอะไรคืออบายามุกก็คืออบายามุกนี้มีอยู่ห้าข้อด้วยกัน ข้อที่หนึ่งก็คือการดื่มศรายามเมาข้อที่สองคือการเล่นการพนันข้อที่สามคือการเที่ยวกลางคืนข้อที่สี่คือความเกลียดทานและข้อที่ห้าคือการครบคนที่ชอบอบายามุขเป็นนิตนี่คือสิ่งที่เราควรจะหลิกเลี่ยง เพราคําว่าอาบายยมุกนี้แปลว่าประตูเข้าอบายนั่นเองถ้าเราไปยืนอยู่ที่หน้าประตูเข้าอาบายโอกาสที่จะเข้าอาบายมันก็ง่ายเร็วเหมือนเวลาที่นักฟุตบอลจะยิงยิงลูกฟุตบอลเข้าประตูนี่เขาต้องไปยืนอยู่แถวหน้าประตูถ้าอยู่ใกล้ประตูอยู่หน้าประตูพอลูกฟุตบอลมาผ่านมาปุ๊บก็สามารถเตะเข้าประตูได้เลย ฉันใดคนที่เสพบาบายามุคนี้ก็เหมือนกําลังไปอยู่ที่ปากประตูของอบายโอกาสที่จะทำบาบนี้มันก็ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเช่นถ้าดืม่มโซดาแล้วเมาเนี่ยพอดืม่มโซาแล้วเมาจะไม่มีสติคอยควบคุมใจเวลาคิดจะทำทาบาปก็จะทำขึ้นมา ท, าทันทีไม่มีอะไรมายับยัง้งมาห้ามปางังหรือเวลาขับรถไปแล้วเมานี่ ก็จะสามารถขับแล้วเกิดอุบัติเหตุทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตได้แต่ถ้าเราไม่มีไม่ได้ดื่มสุรายาเมาเรามีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวตลอดเวลาเวลาที่เราจะคิดทำบาปนี้เราก็จะหยุดได้แต่ถ้าเราไม่มีสติพอจะทำอะไรมันมักจะทำไปทันทีสังเกตดูคนคนเดียวกันนี้ เวลาดื่มสุรายาบแล้วเมานี่เป็นเหมือนกับอีกคนหนึ่งเวลาไม่ดื่มนี้เรียบร้อยว่าจะเรียบร้อยการพูดการกระทําอะไรเรียบร้อยไม่ไปสร้างความลาคาญไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้แต่พอเวลาเกิดอาการเมาขึ้นมาแล้วนี่กิริยาอาการนี้เปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งเลยพูดจาอยากคายพูดจาแล้วทําให้คนอื่นเขาําคาญหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ หรือบางทีก็ถึงกับการกระทําที่ไปทําร้ายทรัพย์สินบ้างทํำร้ายร่างกายของผู้อื่นบ้างเนื่องจากเกิดอาการมึนเมาแล้วเกิดอารมณ์เสียขึ้นมาแล้วไม่มีสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ไม่ได้เพราะไม่มีสติอันนี้แหละคือใบยมุกอย่าไปเสพเสพแล้วมันจะทําให้เราขาดสติถ้าเป็นสลายาเมาถ้าเป็นการเล่นการพนันนี้ การเล่นการพนันนี้มันก็จะทําให้เรานี้ไม่ช้าก็เร็วต้องหมดเนื้อหมดตัวจากการเล่นการพนันเพราะเวลาที่เราได้เราก็อยากจะเล่นต่อเวลาเสียที่เราก็อยากจะเอาคืนเราก็จะเล่นไปเรื่อยๆเมื่อเล่นไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดในที่สุดก็ต้องหมดเนื้อหมดตัวเวลาหมดเงินหมดทองก็ขายทรัพย์สินขายบ้านขายที่ดินขายหมดเลยเพื่อจะเอาเงินมาเล่นต่อ ท่านบอกว่าขมโมยขึ้นบ้านนี้มันยังไม่ร้ายกบมันยังไม่โหดร้ายเท่ากับไม่ไม่โหดร้ายเท่ากับเท่ากับไฟไหม้บ้านไฟไหม้บ้านนี้เวลาขมโมยขึ้นบ้านมันก็เอาแต่ทรัพย์สินไปเอาข้าวของไปแต่เวลาไฟไหมน้นี่มันเอาทั้งทรัพย์สมันเผาหมดทั้งทรัพย์สินทั้งบ้านเหลืออยู่แต่เพียงที่ดินเท่านั้นที่ไฟไม่ไม่ไม่ได้ทําลายแต่ การเล่นการพนันนี้มันโหดร้ายยิ่งกว่าขโมยขึ้นบ้านโหดร้ายยิ่งกว่าไฟไหม้บ้านเพราะว่ามันเอาหมดเลยเวลามันเสียแล้วมันต้องขายเพื่อเอาเงินมาเล่นต่อขายบ้านขายทรัพย์สินขายที่ดินหมดอันนี้แหละต้องระมัดระวังอย่าไปอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับการเล่นการพนันจะปลอดภัยถ้าไปเล่นแล้วเดี๋ยวมันจะต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ตามมาอย่างแน่นอน การเที่ยวก็เหมือนกันการเที่ยวกัางคืนก็มีแต่การเสียเงินเสียทองแล้วเที่ยวบ่อยๆเที่ยวเดืกดๆก็จะทำให้เสียงานเสียการบางทีก็ตื่นไปทำงานไม่ไหวเพราะนอนเดึกเที่ยวมากการเที่ยวก็ต้องใช้เงินทองแล้วถ้าเที่ยวบ่อยๆเที่ยวมากๆเดี๋ยวเงินเดือนที่ได้ก็ไม่พอใช้ไม่พอใช้ก็ต้องเดือดร้อน ต้องไปหาเงินมาเพิ่มบางทีก็ต้องอาศัยการทำงานอาชีพที่ทุจริตคอร์รัปชันช่อโกงหลอกลวงผู้นี่คืออบายมุขข้อที่สามมันจะมีแต่ดูดเอาเงินเาทองเราไปอยู่เรื่อยๆจนเงินทองเราจะไม่พอใช้พอไม่พอใช้แล้วเราก็จะต้องไปหามาด้วยวิธีช่อโกงด้วยการกระทำบาปนั่นเอง อบายามุขข้อที่สี่ก็คือความเกียดค้านอันนี้ก็เป็นโทษเพราะว่าถ้าเราเกียดค้านเราก็จะไม่ไปทำมาหากินหรือทำมาหากินก็ทำไม่มากทำได้น้อยรายได้ไม่พอใช้เมื่อรายได้ไม่พอรายจ่ายก็มักจะต้องไปไปแก้ด้วยวิธีไปทำบาปกัปนแล้วอบายามุขข้อที่ห้าก็คืออย่าไปคบคนที่ชอบอบายามุขเพราะว่าถ้าเขาชอบเล่นการ ถ้าเขาชอบเดินเซราเขาก็จะชวนเราไปเดินเซราถ้าเขาชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันถ้าเขาชอบเที่ยวเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวถ้าเขาชอบความเกียรตค้านเขาก็จะชวนเราไปเกียกรติคาา้านกับเขานั่นเอง <S <S ถ้าพอเราไปทับกับเขาแล้วเดี๋ยวในที่สุดเราก็จะต้องมีปัญหาเงินทองไม่พอใช้เมื่อไม่พอใช้ก็ต้อง ไปหาเงินมาเพิ่มโดยวิธีทำบาปนั่นเองดังนั้นเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงการเสพอบายมุขในประเทศไทยเราก็พยายามที่จะป้องกันเรื่องการเสพอบายมุขเนี่ยไม่ให้มีบ่อนการพนันเนี่ยแต่ทุกวันนี้ก็มีคนที่หูหนวกตาบอดไม่เคยเข้าวัดเข้าว่าไม่รู้โทษของระบายมุขก็พยายามผลักดันให้มีการเปิดบ่อนเสรีกกันเปิดคาสิโนกัน เพราะจะได้มีรายได้เข้ามาเพิ่มมากขึ้นแต่ไม่เห็นโทษของภยัยของการมีบ่อนมีการพนันว่าจะทำให้คนนี้ที่ไม่ได้กาไรจากการเล่นการพนันที่สูญเสียนี้จะต้องไปทาบาปทากรรมกันไปทาผิดกฎหมายกันประเทศไทยตอนนี้ยังดีที่เรายังไม่ออกกฎหมายให้มีการเที่ยวไม่ให้มีบ่อนเสรีเป็นต้นแล้วในวันพระก็ยังมี การห้ามไม่ให้ขายหรือดื่มสุราไม่ให้ขายสุรายาเมาถึงแม้จะห้ามไม่ให้ดื่มไม่ได้อย่างน้อยก็ห้ามไม่ให้ขายไล้ก่อนเพื่อที่เพื่อที่จะไม่ให้คนไทยเราไปมั่วสุมกับการเสพอบายมุกนั่นเองเพราะเห็นโทษของการเสพอบายมุกว่าจะเป็นภัยต่อสังคมคนที่มึนเมาแล้วมักจะไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้นั่นเอง นี่คือเรื่องของอบายามุขถ้าเราไม่เสดอบายามุขได้แล้วนี่โอกาสที่เราจะไปทำบาปมันก็จะยากแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ทายังทำได้อยู่ยังมีเหตุอย่างอื่นที่อาจจะทำให้เราไปทำบาปได้เช่น <c oughs> ถ้าเราเกิดมีความโกรธมากๆขึ้นมาเราก็อาจจะมีความมาคาดพยาบาทต้องร้างแค้นกัน <c oughs> แต่ถ้าไม่ถ้าเป็นปกติถ้าไม่มีความโกรธหรือความโลภเนี่ยใจก็จะไม่ค่อยจะคิดไปทำร้ายผู้จะเคารพกฎหมายจะเคารพศีลธรรมแล้วถ้าเราไม่ทำบาปได้เราก็จะปิดประตูบายได้ความทุกข์ทางใจที่เกิดจากการกระทำบาปก็จะไม่เกิดความทุกข์ที่เกิดจากการฆ่าสัตว์ก็จะไม่เกิดความทุกข์ที่เกิดจากการลักทรัพย์ก็จะไม่เกิด ความทุกข์ที่เกิดจากการประผิดประพุทธผิดประเพณีก็จะไม่เกิดความทุกข์ที่เกิดจากการโกหกหลอกลวงก็ไม่เกิดเมื่อไม่มีความทุกข์เวลาเราตายไปเมื่อเราไม่ได้ทำบาปเราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายเราก็จะไปเกิดกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เลยหรือถ้าเราได้ทำบุญเราก็จะไปรับผลบุญในสวรรค์ก่อน สวรรค์ก็เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวในโลกนี้แหละเวลาพวกเราไปท่องเที่ยวกันนี้ก็เหมือนกับขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นใช่ไหมมีแต่ความสุขได้เห็นสิ่งที่เราชอบได้กินได้ดื่มสิ่งที่เราชอบได้สัมผัสสิ่งต่างๆที่เราชอบบรรยากาศที่เราชอบที่ทำให้เรามีความสุขเวลาตายไปเราก็จะไปสัมผัสกับความสุขแบบนี้ในโลกทิพย์สวรรค์เป็นที่ท่องเที่ยวในโลกทิพย์สำหรับผู้ที่ ทำบุญผู้ที่ไม่ทำบาปเนี่ยเวลาตายไปก็จะไปสู่สวรรค์ไปท่องเที่ยวจนกว่า บ, บุญที่ได้ทำไว้มันหมดกำลังลงเหมือนกับเวลาที่เราไปท่องเที่ยวกันพอเงินที่เราใช้ในการท่องเที่ยวหมดลงเราก็ต้องกลับบ้านเพราะไม่มีค่าไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าโรงแรมค่าที่พักค่าอาหารเราก็ต้องกลับมาบ้านหาเงินใหม่ การที่เราจะกลับมาเกิดพอเรากลับจากพอเราพอบุญหมดแล้วส่งให้เรากลับเราก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่การที่เราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้เราจะเป็นมนุษย์ที่มี เ, เราจะมีมีวาสนาจะจะมีความเจริญก้าวหน้ากว่าคนที่มาจากอบายคนที่ทําบาปแล้วกลับมาจากอบาย มาเกิดจากกบาลนี้มักจะเป็นคนด้อยวาสนาอาภัพวาสนาแต่คนที่มาจากสวรรค์มาเกิดนี้จะเป็นคนที่มีวาสนามาด้วยเกิดมาก็มักจะเกิดมามีฐานะดีร่ำรวยมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามมีอาการครบ32มมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุยืนยาวนานเป็นต้น น, นี่คือเป็นอนิสงค์ของผู้ที่ไม่ทําบาป ท, ทําแต่บุญแล้วก็จะกลับมาเกิดดีแต่การกลับมาเกิดถึงแม้ว่าจะมาเกิดดีมันก็ยังมีทุกข์ตามมาอยู่ทุกทางใจ ท, ที่ที่ได้จากการเกิดก็คือการพอเกิดแล้วร่างกายก็ต้องแก่ร่างกายก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดร่างกายก็ต้องตาย ร่างกายต้องพัดภากจากคนนั่นคนนี้เวลาที่เราต้องมาเจอกับความแก่ความเจ็บความตายมาเจอกับการพัดภากจากกาันมันก็จะทำให้ใจเราทุกข์ความทุกข์ทางใจนี้พระเจ้าทรงตัดทรลุว่าทุกข์ทางใจที่เวลาเจอกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนาเช่นความแก่ความเจ็บความตายมันเกิดจากความอยากของเรา ความอยากสามข้อด้วยกันทุกทางใจนี้เกิดจากความอยากสามข้อข้อที่หนึ่งก็คือความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆความอยากข้อที่สองก็คือความอยากมีอยากเป็นข้อที่สามก็คือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่ากามตันหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหา ทุกครั้งเวลาที่มีความอยากเหล่านี้เกิดขึ้นมาภายในใจมันก็จะนำความทุกข์มาให้กับใจทันทีเช่นถ้าเราอยากจะดื่มกาแฟความอยากเสืู่ปเสียงกลิ่นรสของกาแฟพอเราเริ่มอยากปั๊บนี้ใจเราจะเริ่มกวนก歪แล้วอยู่ไม่เป็นสุขนะต้องไปหากาแฟมาดื่มแล้วถ้ายังไม่ได้กาแฟมาดื่มใจก็จะเริ่มมีความรู้สึกหนวดหงิดลาคาญใจขึ้นไปเรื่อย จนกว่าเราจะได้ดื่มกาแฟพอได้ดื่มกาแฟแล้วความรู้สึกงดจิตลำคาญใจมันก็จะหยุดไปชั่วคราวจนกว่าฤทธิ์ของกาแฟที่อยู่ในร่างกายมันหมดมันพอมันหมดฤทธิ์แล้วมันก็จะกระตุ้นให้เกิดความอยากจะดื่มกาแฟขึ้นมาใหมา่พอเกิดความอยากใหม่ใจที่อยู่นิ่งๆอยู่สบายก็อยู่ไม่เป็นสุขนะต้องดิ้นลนไปหากาแฟมาดื่ม เช่นเดียวกับสิ่งอย่างอื่นที่เราอยากอยากสูบบุหรี่ก็เหมือนกันเพราะอยากสูบบุหรี่แล้วถ้าไม่ได้สูบแล้วมันจะงดเย็ดต้องไปหาบุหรี่มาสูบให้ได้คนที่อยากดื่มสุลาก็เช่นเดียวกันถ้ไม่ได้ดื่มสุลาล้วมันจะงดเย็ดไม่มีความสุขมันมีความทุกข์ไม่สบายใจต้องไปหาสุลามาดื่มคนที่อยากไปชอปปิ้งก็เหมือนกัน ถ้าติดชอปปิ้งเวลาไม่ได้ช้อปปิ้งก็หงุดหียดถ้าได้ไปช้อปปิ้งได้ไปซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรต่างๆที่อยากจะซื้อทั้งๆที่มันไม่เป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องซื้อแต่มันมันมันชอบมันอยากเวลาไม่ได้ชอบแล้วมันรู้สึกว่ามันชีวิตมันไม่มีชีวิตชีวาพอได้ไปช้อปปิ้งแล้วรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีมีความสุขขึ้นมาอันนี้แหละเป็นสาเหตุ ข, ของความทุกข์ใจต่างๆ ที่เกิดจากความความอยากเศษรูปเสียงกิ่นลถพธภอแล้วก็ความอยากมีอยากเป็นก็คืออยากได้เงินเยืะเๆท่าเหีอยากเจะริินในราบยศสเสริญสุขออยากให้เราเจริญเงินเยอะได้เงินเรื่อยืๆเช่นวันนี้ก็อยากจะให้ถูกขวยกันอยากล่า่อยากรวยกันเพราะว่าเวลาได้เงินมาแล้วมันมีความสุขอยากได้ยดอยากได้ตําแหน่งเอือ เป็นในสิบแล้วก็อยากจะเป็นในร้อยเป็นในพันไปตามลําดับอยากได้รางวรางวัลอยากได้การสรรเสริญยกย่องจากผู้อว่าเราเก่งเราดีมีการแจกรางวัลมีประกาศใบประกาศสนยาบัตรมีเหรียญทองเหรียญอะไรให้เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีเขาเรียกว่าสรรเสริญอยากได้สรรเสริญ ถ้าเราก็อยากจะได้แต่ความสุขจากการได้ไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะต่างๆอันนี้เรียกว่าเรียกว่าภาวะตัณหาความอยากเจริญในลาบยศสรรเสริญสุขแล้วข้อที่สามความอยากไม่เจริญในความอยากไม่ไม่เสื่อมในลาบยศสรรเสริญสุขเรียกว่าวิภาวะตัณหาได้ยศมาแล้วได้ลาบมาแล้วก็ไม่อยากจะให้มันเสื่อม อยากให้มันเจริญขึ้นไปอย่างเดียวไม่อยากให้มันหมดนั่นเองพอเวลามันเสื่อมมันหมดมันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาอยากให้มันเจริญแล้วมันไม่เจริญมันก็ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้พวกเราทุกวันนี้ทุกข์กันก็มีความอยากสามอย่างนี้ถ้าไม่อยากในลูกเสียงกฤษแลลวก็อยากได้ในราบยศสรรเสริญอยากให้มันเจริญอยากให้มันไม่เสื่อม ถ้าตราบใดถ้าเรายังมีความอยากทั้งสามประการเหล่านี้อยู่มันจะสร้างความทุกข์ให้กับเราไปจนถึงวันตายพอเราแก่เราก็ทุกข์อีกเพราะเราไม่อยากแก่ความทุกข์ที่เกิดจากความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายแล้วพอเราตายไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะจบความทุกข์จะหมดตอนที่เราตายมันไม่หมดเพราะความอยากมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเวลาร่างกายตายไปร่างกายไม่ได้เอาความอยากไป จากใจความอยากมันยังอยู่ในใจอยู่แล้วก็ใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแล้วความอยากตัวนี้แหละที่จะพาให้ใจกลับมาเกิดใหม่เพราะยังอยากจะหาความสุขจากรูปเ <c oughs> สียงกลิ่นรสผลถั่วชนิดต่างๆพวกเราจึงกลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆโดยไม่รู้สึกตัวว่าเรากลับมาเกิดกันไม่รู้กี่แสนล้านครั้งแนละ้วครั้งนี้ไม่ได้เป็นครั้งแรกครั้งเดียวที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์กัน เรากลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆหลังจากที่ร่างกายอันเก่าของเราตายไปใจเราดวงวิญญาณของเรามันก็ไปรับบนรับผลบุญผลบาปก่อนพอหลังจากรับผลบุญผลบาปเสร็จแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เพราะว่ามันยังมีความอยากทั้งสามอยู่ในใจ ย, ยังมีกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาอยู่ในใจอยู่นั่นเองมันจะไม่มีวันสิ้นสุดน ดาบใดถ้าเรายังไม่กําจัดความอยากทั้งสามให้หมดสิ้นไปให้ได้ถ้าเราอยากที่จะหยุดความทุกข์หยุดการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดมาเจอกับความทุกข์อยู่เรื่อยเื่เราต้องมาหยุดความอยากทั้งสามตัวนี้ให้ได้<ม>ในการจะหยุดความอยากทั้งสามตัวนี้ได้นี่เราต้องใช้การปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเราต้องเริ่มรักษาศีล แล้วจต้องเป็นศีลของนักบวชนะก็ซื้อศีลแปดขึ้นไปศีลห้านี้ไม่พอในการที่จะใช้ในการที่จะมาหยุดความอยากต่างๆนะต้องใช้ศีลแปดถ้าเรารักษาศีลแปดได้เราก็จะมีเวลาที่จะไปปฏิบัติสมาธิได้ไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบพอเวลาทำใจให้สงบเราหยุดความอยากได้ชัวว่วครับ แล้วหลังจากที่เราหยุดความอยากได้ชั่วคราวด้วยสมาธิแล้วพอใจออกจากสมาธิมาพอเกิดความอยากเราก็ใช้ปัญญาคือความรู้ที่เราได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าว่าถ้าเราอยากจะกำจัดความทุกข์เราต้องหยุดความอยากเวลามีความอยากเกิดขึ้นก็เราก็อย่าไปทาตามเหมอนอยากไปเสกอยากจะไปดื่มกาแฟอยากจะไปดื่มสุราอยากจะไปทำอะไรก็ตามอย่าไปทาฝืนใจไว้ วิธีที่ฝืนใจให้สบายง่ายๆก็คือกลับเข้าไปนั่งสมาธิเหมือนทุกครั้งที่เราเกิดความอยากเราก็ทำใจให้นิ่งให้สงบไม่ไปทำตามความอยากแล้วต่อไปความอยากมันก็จะหมดกำลังลงไปเองอันนี้คือวิธีการที่เราจะใช้ในการกำจัดความอยากกำจัดความทุกข์ทางใจแล้วต้องปฏิบัติทำสามขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งก็คือเราต้องรักษาศีล ศีลต้องเป็นศีลของนักบวชก็คือศีลแปดเช่นวันพระนี้สมมติว่าถ้าเราไม่ต้องไปทํางานเรามารักษาศีลแปดจริงทําวันธรรมดาเวลาเราไปทํางานเราก็รักษาศีลห้าไว้ก็พอแต่ถ้าเราต้องการที่จะใช้วันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมวันที่เราจะมาหยุดความอยากวันที่เราจะมานั่งสมาธิวันที่เราจะมาใช้ปัญญาสู้กับความอยากหยุดความอยาก ตอนนั้นเราต้องมาถือศีลแปดกันเพราะเราต้องการเอาเวลามาให้กับการปฏิบัตินั่นเองถ้าเราไม่ถือศีลแปดนี้เรายังไปทํากิจกรรมอย่างอื่นได้เช่นเรายังไปทําตามความอยากต่างๆได้อยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนแล้วก็นอนได้อยากจะไปดูหนังฟังเพลงแล้วก็ทําได้อยากจะเสริมสวยความงามทางทางร่างกายแล้วก็เสริมสวยได้อยากจะนอนกี่ชั่วโมงก็นอนได้ อยากจะกินมากน้อยเท่าไหร่ก็กินได้ถ้าเราไม่มีศีลแปดมันก็จะไม่มีข้อห้ามเราก็จะไปทำกิจกรรมเหล่านี้เมื่อเราไปทำกิจกรรมเหล่านี้เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติสมาธิมาปฏิบัติปัญญานั่นเดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะกำจัดความทุกข์ทางใจด้วยการกำจัดความอยากต่างๆที่ยังมีอยู่ในใจอยู่นี้ เราต้องเริ่มที่ศีลแปดก่อนแล้วก็เริ่มในวันพระเพราะเป็นวันที่สะดวกที่จะรักษาศีลแปดถ้าไปรักษาศีลแปดในวันทำงานมันก็ไม่สะดวกและไม่มีประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าเราก็จะไม่มีเวลามาให้กับการปฏิบัติสมาธิปัญญาไนดะ้เพราะวันทำงานเราก็ต้องไปทำงานมันจะไม่มีเวลาไปนั่งสมาธิที่ทำงานได้ถ้าไปนั่งสมาธิที่ทางานเดี๋ยวก็โดนเขาไล่ออก เอ า, าไปบวช ด, ดีกว่าอย่ามาทำงานเลยเพราะฉะนั้น mm. เวลาที่เราจะปฏิบัติธรรมนี้เราต้องปฏิบัติวันที่เราว่างจากภาร ก, กิจการงานก็คือวันพระนี่วันวันที่พระเจ้าทรงกำหนดให้พวกเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อกาจัดความอยากกาจัดความทุกข์ต่างๆให้เราเริ่มต้นที่วันพระกันก่อนแต่วันพระวันเดียวไม่พอนะการปฏิบัตินี้มันถ้าจะให้ความอยากมันหมดไปนี่ต้องปฏิบัติทุกวัน เพราะอะไรเพราะความอยากมันเกิดขึ้นทุกวันมันไม่ได้เกิดเฉพาะวันพระวันเดียวมันเกิดทุกวันเหมือนกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนี้ต้องคอยดับเพลิงทุกวันไม่ใช่มาคอยดับเพลิงเฉพาะวันพระเพราะว่าไฟมันไม่ไม่จะตายเฉพาะวันพระมันมันไม่มันไม่ได้ทุกวันวันไหนมันก็ไหม้ได้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ต้องพร้อมตลอดเวลาการกาจัดความทุกข์ที่เป็นเหมือนไฟไหม้ใจก็ต้องกาจัดตลอดเวลา เพราะว่าเหตุที่ทําให้ไฟไหม้ในใจนี้มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาคือความอยากมันเกิดขึ้นตั้งแต่ลืมตาขึ้นมามันก็เริ่มอยากนะพอลืมตาขึ้นมาก็อยากจะดื่มอะไรนะยืดดื่มกาแฟดื่มอะไรขึ้นมานะอันนี้แต่ความอยากดื่มแล้วก็อยากจะกินต่ออยากแล้วก็อยากจะไปทํานู่นทนํานี่อยากจะไปดูนั่นดูนี่ฟังนู่นฟังนี่มันอยากไปทั้งวันเราจึงต้องใช้ศีลแปดมาคอยห้ามมันถ้าเราถือศีลแปดเราก็จะ กินอาหารมากไปไม่ได้ละกินตามความอยากไม่ได้กินเท่าที่จำเป็นกินไม่ให้เกินเที่ยงวัน<ฮ>ก็พอละสำหรับเลี้ยงดูร่างกายร่างกายจริงๆนี้ถ้าได้อาหารวันละหนึ่งมือ้อมันก็อยู่ได้แล้ะมันไม่ตายแต่ความอยากของเรามันจะหลอกให้เรากินอยู่เรื่อยๆวันละสามื้อบ้างสี่มื้อบ้างห้ามื้อบ้างแล้วแต่มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากทาให้ร่างกาย น้ำหนักเกินแล้วก็ทําให้มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนกินมากเกินไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเป็นโทษทั้งทางร่างกายและทางจิตใจโทษทางจิตใจก็คือใจจะต้องมาทุก ก, กับโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายแล้วใจก็จะไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติสมาธิและปัญญา mm hmm. ดังนั้นต้องถือศีลแปดถ้าเราถือศีลแปดแล้วเราก็จะไปทากิจกรรมอย่างอ mm ื hmm. ่นไม่ได้ไป ไปดูหนังฟังเพลงไม่ได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไม่ได้ไปงานเลี้ยงต่างๆไม่ได้เวลาเวลานอนก็ไม่ให้นอนมากเกินไปวิธีนอนไม่มากต้องนอนบนบนที่นอนที่ไม่สบายนอนบนพื้นแข็งๆปู ด, ด้วยผ้าปู ด, ด้วยเสือ่เอเวลาร่างกายง่วงนอนมันก็จะนอนหลับไม่ว่าจะนอนบนเตียงสํารานเตียงสบายหรือเตียงไม่สบายพอร่างกายได้พักผ่อนพอประมาณสี่ห้าชั่วโมงมันก็จะตืน่นขึ้นมา ถ้าเรานอนบนบนบนเตียงสําราญเตียงที่มีฟูกหนาๆเตียงที่สบายเวลาตื่นขึ้นมาแล้วใจยังไม่อยากจะลุกใจมันอยากจะนอนต่อความอยากนอนมันจะมันจะทําให้เรานอนต่อทําให้เราเสียเวลาแทนที่จะเวลาขึ้นมาตื่นขึ้นมาเพื่อ น, นํามาปฏิบัติสมาธิปัญญาเราก็จะไม่มีเวลาเพราะเราจะเอาไปให้กับการนอน แต่ถ้าเราถือศีลแปดนอนบนเตียงที่ไม่สบายหรือ น, นอนกับพื้นเนี่ยพอน่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมามันจะไม่อยากจะนอนเพราะมันไม่สบายมันก็ได้ลุกขึ้นมานั่งสมาธิมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมได้นี่คือหน้าที่ของศีลแปดศีลแปดมีไว้เพื่อให้เราหยุดกิจกรรมต่างๆที่ จะสร้างความทุกข์ให้กับเราเพราะกิจกรรมทางตาหูจมูกนิ้งกายนี่เองมันเกิดจากความอยากเสพลวกเสียงกลิ่นรสเราก็ต้องใช้ศีลห้ามันไว้ก่อนเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาทำใจให้สงบการจะทำใจให้สงบเป็นสมาธิเราก็ต้องมีสติต้องคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดเราต้องเริ่มควบคุมความคิดตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาตื่นขึ้นมาเลย พอเลืมตาขึ้นมาพอใจลืมจะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดก็ใช้พุโทโธหยุดมันพอตื่นขึ้นมาพร้อมกับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปภายในใจไม่ว่าเราจะไปทําอะไรที่จําเป็นต้องทําเช่นอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารเราก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องต่างๆควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะว่าถ้าเราควบคุมความคิดลดความคิดให้น้อยลงได้เวลาเรามานั่งสมาธิใจก็จะไม่ฟุง้งซ่านใจก็จะสงบได้ถ้าเราไม่มีสติมาก่อนเลยพอเราจะมานั่งสมาธิพอจะมาเริ่มพุทโธพุทโธได้สองคำมันก็ไปละก็ <c oughs> ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้นั่งไปได้ไม่นานสักสองสามนาทีก็รู้สึกอึดอัดใจแล้วก็จะนั่งต่อไปไม่ได้การปฏิบัติสมาธิก็จะล้มเหลว เพราะกำลังของสติมีไม่มากพอดังนั้นถ้าเราอยากจะปฏิบัติสมาธิให้ได้ผลเราต้องพยายามปฏิบัติสร้างสติขึ้นมาก่อนก่อนที่เราจะมานั่งต้องสร้างมันตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยทําอะไรทั้งวันทั้งคืนก็มีแต่พุทโธพุทโธเวลานั่งสมาธิมันก็จะอยู่กับพุทโธพุทโธแล้วมันก็จะสงบนิ่งได้มไม่ฟุ้งซ่านเวลาจิตสงบนิ่งความอยากก็จะหยุดทํางานชั่อขา่าว พอความอยากหยุดทางานชั่วคราวความสุขก็ปรากฏขึ้นมาความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบความสงบระงับของความอยากนี่เองที่ทําให้ใจเรามีความสุขขึ้นพอเราได้สมาธิเราเห็นแล้วว่าเนี่ยความสุขของเราที่แท้จริงอยู่ที่การหยุดความอยากนี่พอเราออกจากสมาธิมาพอเราเริ่มคิดใจมันก็จะเริ่มอยากขึ้นมา เพราะสมาธิไม่ได้ทำลายความอยากเพียงแต่กดเอาไว้ mm. พอออกมาจากสมาธิความอยากที่ถูกกดเอาไว้มันก็จะออกมาแสดงตัวทันทีวิธีที่จะกำจัดความอยากอย่างถาวรนี้เราต้องกำจัดด้วยปัญญาปัญญาก็คือเราต้องรู้ว่าสาเหตุของความทุกข์ใจของเราไม่ได้เกิดจากใครที่ไหนก็เกิดจากความอยากของเรานี้เองถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราต้องกาจัดความอยากที่ผลขึ้นมา ทุกครั้งที่มีความอยากอะไรโผล่ขึ้นมาเราต้องไม่ไปทำตามความอยากเราต้องฝืนความอยากอยู่เฉยๆอยากดูก็ไม่ดูอยากฟังก็ไม่ฟังอยากดื่มก็ไม่ดื่มปล่อยให้มันอยากไปถ้าเรามีสติมีสมาธิมีกำลังหยุดได้มากเราจะไม่สะเทือนใจเราจะไม่รู้สึกโกรธเกิดเราจะไม่รู้สึกทุกข์แต่อย่างใดเราสามารถสู้กับความอยากได้แล้วถ้ากาลังของ ใจของเรามีมากกว่าความอยากเดี๋ยวความอยากมันก็หมดฤทธิ์เองหมดกําลังพอหมดกําลังความอยากก็หายไปความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือความสุขที่เกิดจากการไม่มีความอยากก็จะตามมาอันนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าทุกข์ที่เกิดจากความอยากชนิดนี้ไม่มีอีกแล้ว ทุกที่เกิดจากการดื่มสุราอยากดื่มสุราไม่มีอีกแล้วทุกที่เกิดจากการอยากสูบบุหรี่ไม่มีอีกแล้วทุกที่เกิดจากการอยากไปเที่ยวไม่มีอีกแล้วหรือทุกที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่มีอีกแล้วเพราะใจเราสามารถหยุดความอยากเหล่านี้ได้ใจเราก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปอันนี้แหละคือการกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต้องเกิดจากการปฏิบัติศีลสมาธิและปัญญา แล้วก็ต้องปฏิบัติแบบต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่เอาแค่วันสิบนาทีสิบห้านาทีอย่างนี้ไม่พอเพียง <Yeah. S 1> พระพุทธเจ้าจึงต้องกําหนดวันพระขึ้นมาวันหยุดทํางานเพื่อให้มาเป็นวันปฏิบัติธรรมนั่นเองปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา mm hmm. ถ้าเราทําตามที่พระเจ้าทรงสอนได้รับประกันได้ว่าต่อไปความทุกข์ในใจของเราจะไม่มีต่อไปอย่างแน่นอนและเราก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป เพราะเหตุที่พาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็คือความอยากทั้งสามนี้การมาทันหาภวะทันหาวิภาวะทันหานี้ได้ถูกกําจัดด้วยการปฏิบัติสินสมาธิและปัญญาของเราแล้วนั่นเองต่อไปเราก็ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปทุกที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายก็จะไม่มีอีกต่อไปนี่คือเรื่องของวันพระที่เอามาฝากท่านเหมือนในวันนี้ให้ท่านนําไปศึกษานำเอาไปปฏิบัติดับความทุกข์ ด้วยการไปหยุดสาเหตุของความทุกข์สองประการคือยุติการกระทำบาปทั้งปวงแล้วก็กบจัดความอยากต่างๆด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเลหาภาราปาลิปุเรนติสักลังเอวเมวะอิโตทิน e ังเปตานังปะกัปปติอ uh ิชิตังปะทิตังตุมหังกิปะเมวะสนิชโตสพเพตุเรนตุส um ังกปา จันโทปนะระโสยธามณิโชติอระโสยธาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโววินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขิติขายุโกภวะ อาพิวาธานาสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรรมวาทานติอายุวโนสุขังหาลาช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ แต่ช่วงนี้ขอเป็นช่วงภาษาอังกฤษจ่อยมีชาวต่างชาติมาปฏิบัติธรรมที่วัดและมีความสนใจอยากจะถามคำถามต่างๆเพราะเวลาเทศเป็นภาษาไทยเขาฟังไม่เข้าใจช่วงนี้ก็เลยต้องเปิดโอกาสให้เขาได้ถามคำถามต่างๆ ก็ปัญหาคำถามก็หมดเวลาก็หมดพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปที่นิดพิจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ